อนาปติวนันภิกษุต่อเวนี้ไม่ต้องอบัตคือ1 6ึ่งร้กษิูกล่าวหาภิสูุผู้สั่งสอนเพราะเห็นแก่จีวรเพราะเห็นแก่บินธรรมบัตรเพราะเห็นแก่เซนาสนะเพราะเห็นแก่กีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเพราะเห็นแก่ศักการะเพราะเห็นแก่ความเคารพเพราะเห็นแก่ความนับถือเพราะเห็นแก่การกราบไหว้เพราะเห็นแก่การบูชาตามปกติ 2. ภิกษุวิกลจริต3าพิกูตต้นบัญญัติ อามิตรสิกขาบทที่4ี่จบ